รู้สึกตัวไว้ไฟกระพริบสองรอบแล้วถ้าไฟดับเราก็เลิกต้วยกันบ้า น, านการนวัสการค่ะหลวงพ่อก่อนหน้านี้กิเลสมันขึ้นมาเยอะมากค่ะขึ้นมาหลายตัวบางทีก็ถล่มอยู่บอยู่กับมัน เลื่อนรุ้มไป<ะ>กิเลสหากินได้ตอนเราไม่มีสติถ้าเรามีสติเรารู้ตัวอยู่กิเลนมาไม่ได้นะไม่มีอะไรน่ากลัวกิเลสไม่ใช่ของที่ต้องละให้เรารู้ทันแล้วมันก็ดับไปเองที่ส่งการบ้านหลวงพ่อเขาก่อนหลวงพ่อให้ไปบริกรรมพุโทโธก็ทำเวื่อใ้มันก็จะได้แรงขึ้นนะ แต่แต่ว่าไปบังคับเขาอะค่ะก็พูดโธอีกอยากบังคับเขาทุกไปเดี๋ยวมันก็เข็ดเองอะนะทุกวันนี้ใช้ใช้การเดินจงกรมอะค่ะ <c oughs> เอาอะไรก็เอาให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้าถ้ารูปแบบถ้ารูปแบบจะทันจะเดินจงกรมเป็นหลักค่ะเออ <art S 2> ให้มันเด็ดเดี่ยวลงไ ป, ไปเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองไปจิตหนีไปแล้วรู้บ่อยๆ ปฏิบัติแค่เพื่อเรียนรู้จิตเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอมัม่นไงกุศลมันไม่ได้ละครับแล้วก็มันอร่อยครับทั้งโทสะโลภะลาคะโมหะครกเอาเยอะเลยเนาะมันอร่อยครับันคื อ, อมไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าไม่ได้เจริญในเรื่องของกุศล มีเถิงของการภาวนาเท่าไหรครับหลวงพ่อไปทำเอากิเลสเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีไปดวูว่าไหมจิตมันไม่มีพลังดูออกไหมเหมือนมันแช่แช่เหนื่อยๆนะคะเหนื่อย แต่รู้สึกว่าวันพระเหมือนมีพลังมากกว่าอะไรนะรู้สึกว่าถ้าเป็นวันพระเหมือนจะมีพลังหรือมีสติดีง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเราสังวรมั้งว่าเป็นวันพระกราบนมัสการพระจารย์นะค ะ, ะหนูเพิ่งเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็มไม่ค่อยได้ปฏิบัติจริงจังอะคะ่ะแล้วทีนี้หนูยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอะ ควรที่จะเหมาะกับการปฏิบัติแบบนี้หนูไปดูกิเลสไปดูกิเลสตัวเองนะกิเลสตัวไหนเกิดก็รู้เอากิเลสเกิดแล้วรู้เฉยๆไม่ต้องไปล่ามันดูมันทํางานไปเดี๋ยวมันจะสอนความจริงให้เราดูเองเอะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับค่ะหนูขอการบ้านหลวงพ่อได้ไงการบ้านไปทำเอาแค่นี้ก็แย่แล้วม่กีิเล่นเกิดทั้งวันหลยทีแรกเราเห็นแต่ของหยาบๆ โกรธแรงแรงโลภแรงแรงหลงแรงแรงอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านมากๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นต่อไปนะแค่ใจมันหมองหมองนิด น, นึงก็กิเลสแล้วละ่ะ<ช>ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้ทันกิเลสได้กิเลสครอบงำใจไม่ได้ไม่ทุกข์หรอกค่ะธรรมสารหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะที่ผ่านมาเดินจงกรมนั่งสมาธิในรูปแบบนะคะ มาระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เริ่มหัดดูจิตตัวเองอะค่ะอเ อ, อไม่แน่ใจว่าที่ทำที่ผ่านๆมานี้ทําถูกต้องไหมคะเหมือนก็ดีขึ้นนะไปทำอีกเออจิตถึงฐานแล้วยังค่ะยังยัง <laughs> รู้สึกไหมจิตขนาดเนี้มอยู่ข้างนอกจะมาถามทําไมว่าถึงไหม <laughs> วิธีที่จิตจะเข้าฐานเนี่ยไม่ใช้การดึง รู้ว่ามันไม่ถึงนะแล้วเราก็ภาวนาขงเราไปหายใจไปอะไรไปแต่เราไม่ดึงจิต น, นะเราเปลี่ยนความสนใจให้มันมาสนใจอยู่ในกายเนี้ย mm hmm. เช่นมารู้ลมหายใจไปเดี๋ยวจิตมันก็กลับมาเองเหมือนเช่เมื่อเชา้าหลวงพ่อสอนเรากําหนดไปตรงโน้น ต, ตรงนี้เราสนใจไปที่ไหนจิมก็ไปที่นั่นเราสนใจของข้างนอกจิมก็ไปข้างนอกนะเราก็เปลี่ยนความสนใจมาอยู่ในร่างกายนี้เดี๋ยวจิมมันก็กลับมา ไม่ต้องไปดึงมันนะดึงมันอ <ites> ึด <me> อ <Anal ic> <ctions> ัดขาก็เป็นขากับรัศการหลวงพ่อครับก็ทั้งอ่านทั้งฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบปีนะฮะก็เทศนานี้โดนใจมากๆากอ้เลย่เรื่องการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติไหลายที่ก็ของหลวงพ่อที่ผมยังตีโจทย์ไว้ออกว่าก็ขอให้แนะนำด้วยครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็ ออจิตออกนอกก็ดึงกลับมันไหวมากออกแล้วเข้ามาแล้วออกมา้ไม่ดึงนะมันไปเรื่องอื่นนะครับจิตออกนอกรู้ว่ามันออกนอก<ะ>นะมันกลับมาเองแหละถ้าไปดึงแล้วมันจะแน่นครับอยู่กับคำภาวนาไปกลับมากับภาวนาภาวนาออกไปเรียกกลับไม่เรียกสิ<ะ>ทิ้งมันไปเลยแล้ว เ, เริ่มภาวนาใหม่มอย่าคิดว่าจิตมีดวงเดียว เราอย่างคิดว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปแลรวก็ต้องเอาคืนมาจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลาดเวลาจิตที่ไปดูรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังเสียงก็ดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ตัวก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปคิดก็ไปอีกดวงจิตเนียเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครั้งละดวงนัพนเะงอย่างเวลาจิตมันหลงออกข้างนอกเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านก็เป็นจิตมีโมหะฟุ้งซ่าน แล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเมื่อกี้นี้ไหลไปจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี้ยเป็นจิตผู้รู้แล้วเราเราภาวนาต่อไปเลยภาวนาต่อเลยไอ้เรื่องที่เรานึกออกก็ทิ้งไปแล้วทิ้งไปเลยอยู่กับคำภาวนาต่อไปกลับมานะไม่เนะอย่าไปออกแรงดึงจิตมานะถ้าออกแรงดึงมาเมื่อไหร่จิตจะแน่นถ้าแน่นน่ะผิดละหรือสุดตัวตัวหนักเออนั่นแหละหนักหนักแน่นแน่นหนักแน่นแข็งซึมทื่อแข็ไม่ได้นะ ต้องเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ถึงจะใช้ได้หนักแน่นแข็งซึมทื่อทำไปทำไมสาธุครับหมดแล้วใช่ไหมเอาคนจีนว่ามาคนไหนแน่ ขอถามสองข้อข้อแรกอยากจะให้ดูลมหายใจให้หลวงพ่อดูช่วยดูให้ท่านเอาหายใจไปอย่าตั้งท่าการดูลมหายใจเราหายใจอยู่แล้วนะเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปสบายๆไม่ใช่พอคิดถึงการรู้ลมหายใจนะก็ต้องตั้งท่าบังคับร่างกายให้ดูเรียบร้อย บังคับจิตให้นิ่งๆเราจะไม่มีการบังคับเลยอย่างขนาดนี้สมมติเรานั่งอยู่ท่าอย่างที่หลวงพ่อนั่งเนี้ยเราจะรู้การหายใจนะเราก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเลยไม่ต้องทำเรียบร้อยนะเพราะเราหายใจอยู่ทั้งวันลมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆปล่อยให้จิต ท, ทำงานไปตามธรรมชาติ แล้วก็เรียนรู้เข้าไปเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาจิตไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองค่อยๆฝึกดูไปฝึกไปอย่างนั้นก็ใช้ได้นะที่ภิกษุณีทำอยู่แต่มันจะได้สมาธิจะสงบลงไปเฉยๆนี่เราพยายามฝึกอีกอย่างหนึ่งคือฝึกเชื่อให้เกิดจิตที่จะไปเจริญปัญญา ที่กาหนดลงไปอย่างต่เกียงมันจะได้ความสงบแล้วก็ให้สงบอย่างนี้นก่อนก็ได้นะแล้วก็เดินป็นญาวทีหลังคือทำได้ทั้งสองแบบแหละแล้วไงอีกท่านรู้สึกว่าเวลาเน้นเน้นปนแล้วว่าไปร อ, องเพลงจะรู้สึกว่าใจปกติ ท่านทานต่อไปท่านสามารถใช้เวลาเยอะๆไปเน่นโบนหรือว่าไปร่องเพลงได้ไหมครับไปเล่นอะไรนะคือพอดีคอสนี้อาร a ์ท่านจัดไปเน่นโบนครับเล่นอะไรเล่นบอลอ๋ อ, อ, อหรือว่าเล่นโบนหรือเล่นกระดูกเล่นทำไม <laughs> <laughs> พคซูนีจีนเล่นบอลได้ด้วยเหรอหลวงพ่อไม่รู้นะ <laughs> คือทำอะไรที่มันผ่อนคลายนะ ให้ใจมันผ่อนคลายสมาธิม่จะเกิดง่ายแต่พิกษุนีไทยไม่มีพระไทยเนนไทยไปเล่นบอลไม่ได้ไเล่นบอลไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้เล่นบอลก็ไม่ได้นี่ของเมืองจีนเขาไม่ถือมั้งไม่ล่ะถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรเนาะหลวงพ่อไม่รู้ว่า ศีลของภิกษุณีจีนเป็นยังไงจุดสําคัญก็คือทําอะไรก็ได้ให้ใจผ่อนคลายแต่ว่าการทําสิ่งนั้นต้องไม่ทําให้กิเลสของเราแรงขึ้นอย่างสมมตว่าเราไปยิงสัตว์เอาปืนไปไล่ยิงสัตว์แล้วบอกว่าเรามีความสุขมีความผ่อนคลายอย่างนั้นไม่ดีมันเบียดเบียนสัตว์อื่น เรื่อย่างเราร้องเพลงเนี่ยถ้าเราเป็นคารวาสเราก็ร้องเพลงไม่เป็นไรไม่เสียหายนี่พิกษุนีจีนหลวงพไม่รู้ว่ามีศีลห้ามร้องเพลงหรือเปล่าอย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละแล้วก็หาอะไรทําให้ใจมันผ่อนคลายให้ใจผ่อนคลายสมาธิจะเกิดเมื่อจิตใจสบายหลักกรรมฐานสมาธิเกิดจากความสุข อย่างเราไปร้องเพลงแล้วมีความสุขเนี่ยใจก็มีสมาธิพระจีนก็เห็นสวนมดมนต์เดยนะบางทีเหมือนร้องเพลงเหมือนกันมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยอนะาจีนตีอะไรต่ออะไรทีก็ให้จิตใจสบายแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้ใจกาลังสบายทำอะไรไปสักอย่างหนึง่งนะ ที่ผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเนียวสมาธิก็เกิดที่จะดีกว่านั้นก็คือรู้ทันจิตของตัวเองบ่อยๆจิตของเราสุขจิตของเราทุกจิตสงบจิตฟุ้งซ่านทํากรรมาฐานไปทาหรือจะร้องเพลงอะไรก็เอาเถอะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตเอา ร้องไปแล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกแก่นี้บ่อยๆ อ, นะอันนี้ตอบยากหลวงพ่อไม่รู้ว่าวิันของทางโน้นเป็นยังไงนะถ้าพระชีเมืองไทยทำไม่ได้แม่ชีเตะบอล น, นี้นะมันดูแปลก <laughs> อ๋อส่งบอล น, นึกว่ามีคอสเตะบอลทำอะไรก็ได้ถ้าส่งบอลส่งไม่เป็นไรหรอกนะถ้าวิ่งเตะบอลมันอันตรายนะผ้าผ่อนเราลุ่มล่ำ <laughs> คนต่อไป ถ้ามาเขาคอสคันที่สองอยากจะขอคาแนะนำจังดีงขึ้นแล้วล่ะคนนี้นจิตมีพลังมากขึ้นแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไปเรื่อยตอนนี้พอจิตเรามีแรงแล้วเราก็มาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยดูไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกเรายืมวัตถุาธาตุจากโลกมาไม่นานแล้วต้องคืนโลกไปตายไป จิตใจน้นก็เป็นของไม่แน่นอนความรู้สึกต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงความรู้สึกสุขเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็ดับสงบฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับพอเราเห็นซ้ำๆต่อไปเราจะไม่รักความรู้สึกอย่างหนึง่งจะไม่เกลียดความรู้สึกอีกอย่างหนึง่งเราไม่รักสุขเราไม่เกลียดทุกข์เราไม่รักดีเราไม่เกลียดชั่วใจเราเป็นกลางเราทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะใจมันจะไม่กระเพิ่มหวั่นไหวไม่ปรุงแต่งใจก็จะพ้นจากความทุกขนะ์งั้นรู้เนื้อรู้ตัวไปอย่างนี้แหละแล้วก็ดูจิตใจดูร่างกายไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นของไม่แน่นอนความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อยๆใช้ได้อยู่นะการภาวนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องลำบากม่ใช่รู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมานะให้ใจมันตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นแล้วก็ดูความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นนะรู้ไปเรื่อยๆสบายๆอย่าให้ใจหมกมุ่นนะต่อไปคนที่สามเขาอยากจะรู้ว่าตัวเอง รู้สตัวเป็นหรือเปล่าครับเหรอทําไมไม่รู้ตัวเองอ่ะทําไมต้องมาถามคนอื่นรู้สึกตัวไม่รู้สึกรู้จักเผลอไหมรู้จักใจลอยไหมใจหนีไปคิดรู้จักไหมถ้าเมื่อไหร่ใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ว่าใจไหลไปคิดแล้วนะเราก็รู้สึกตัวแล้วแต่รู้สึกได้นิดเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่วันวันหนึ่งฝึกแค่นี้แหละพอแล้วเงี้ยตอนนี้ไหลไปคิดแล้ว แค่รู้อย่างเนี้ยอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วใจไหลไปคิดเรารู้เอาเนี่ยไหลไปคิดละตอนนี้นะไหลไปละเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะจนมันเก่งต่ไปไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊ บ, ลบเลยอันนั้นเป็นนักปฏิบัติที่เก่งสุดยอดแล้วนะักปฏิบัติไม่ใช่จิตไม่ไหลจิตไม่ไหลเลยต้องเป็นจิตพระดละหันนะจิตของเรายังไหลยอยู่ก็รู้ว่าไหล เป็นยังไงก็รู้ไปตอนนี้ไอะ ไ, ไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันบ่อยๆอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนานๆเสียเวลาคนต่อไปเขาอยากจะรู้ว่ากรรมภาวนาของเขาถูกต้องหรือเปล่าต่อไปเขาควรเล่าวังอะไรครับนั่งได้นั่งจะไปเขาพาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วละนะรู้ตัวไป ดูกายดูใจมันทำงานไปนะรู้สึกตัวสบายๆไม่เคร่งเครียดระวังอย่าไปโลภมากว่าจะเอาผลเร็วๆนะภานาไปเรื่อยๆแล้วจิตใจเราจะพัฒนาเองเราสั่งให้จิตพัฒนาเร็วๆไม่ได้หรอกจิตี่ต้องการเวลาเรียนรู้ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าจิตมันต้องการเวลาเพื่อจะเรียนรู้นะเหมือนเด็กที่เกิดในท้องแม่ ต้องการเวลาที่จะเติบโตอยู่ๆเราไปเร่งให้ออกมาเร็วๆนั้นเด็กก็ตายจิตนี้ก็เหมือนกันต้องการเวลาเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาเนี่ยมันผลิดอกออกผลเป็นจิตที่ดีงามขึ้นมาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ใจอย่าให้ร่ร้อนที่จะให้ดีเร็วๆทำใจเย็นๆไว้แต่ขยันดูเรื่อยๆ จะรีบไปหน่อยหนึ่งโดยพื้นฐานคนนี้ใช้ได้แล้วละ่ะฝึกถูกต้องแล้วดีคนต่อไปปีก่อนเขาเคยมาเขาคอร์สจำได้อยู่ <c oughs> แล้วไงอ่ ะ, ะเขากันบ้านแค่เนี้ยเหรอเขาสามารถ <c oughs> เห็นสภาวะเกิดดับแต่ไม่รู้ว่าเขาเดินปัญญาหรือเปล่าครับ ถ้าเราเห็นสภาวะเกิดดับนะจิตใจเราเป็นคนดูสบายๆนั้นเราเดินปัญญาอยู่แล้วการที่เห็นสิ่งต่างๆแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญางนั้นเราเห็นความรู้สึกเกิดดับไปเรื่อยๆเราเดินปัญญาอยู่แล้วแต่เวลาเราเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะจิตมันหมดแรงเราก็ต้องกลับมาทำสมถะไหว้พระสวดมวนต์เป็นระยะระยะไป ให้ใจมีแรงหรือไม่ก็มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจเป็นระยะระยะจะไปดูเกิดดับตลอดเวลาไม่ได้นะจิตจะไม่มีแรงพอเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านซะก่อนตรงนี้บังคับจิตมากไปตอนนี้จิตมันแน่นขึ้นมาแล้วนะการทำสมถะไม่ใช่การบังคับจิตตัวเองการทำสมถะเนี่ย น้อมใจเราไปอยู่กับอารมณ์ที่สบายๆพุโทโธพุโทโธไม่สนใจเรื่องวิปัสสนาแล้วไม่สนใจเกิดดับแล้วนะแต่อยู่กับอารมณ์มันเดียวให้สบายๆใจไม่บังคับใจให้เครียดๆนะถ้าใจเครียดไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมถะอ้าต่อไปเขาขอถามสงข้อข้อแรกคือ พีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาปังคับจิตตัวเองเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ ด, ดีขึ้นไหมดีขึ้น น, นะสบายขึ้นเยอะและ้วต่อไปละ่ะข้อสองเขาใช้ความคิดคิดไตรลักษณรู้สึกว่าเ อ, อลบลดลงอืมเขาอยากจะรู้ว่าสามารถอาศัยคิดไตรลักษณจะถึงหลุดพ้นไหมครับไม่พ้น การคิดไตรลักษณ์เนี่ยเป็นวิธีการเบื้องต้นสําหรับจิตที่ไม่เคยมองไตรลักษณ์หรือจิตที่ติดความสงบอยู่เฉยๆถ้าจิตติดสงบเฉยๆเนี่ยต้อไปคิดเรื่องไตรลักษณ์อะไรเงี้ยกระตุ้นให้จิตหัดมองแต่เมื่อจิตมันเวลาสภาวะเกิดขึ้นมาจิตมันรู้สึกได้เองนะว่าอันนี้มันของไม่เที่ยงอันนี้บังคับไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเอานะไม่ต้องคิดเอาถ้าคิดเอายังไม่เป็นวิปัสสนา วิปัสสนานั้นก็เห็นเอาคือทีแรกเราก็พาจิตเราคิดนะนะคิดนำให้จิตดูเห็นไหมความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับค่อยๆสอนมันไปนะสอนไปเรื่อยๆแต่ต่อไปพอเราพอนับเป็นแล้วเนี่ยความสุขเกิดขึ้นเราเป็นคนดูเฉยๆแล้วความสุขมันก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ดูเฉยๆแล้วความทุกข์มันก็ดับให้เราดูอย่างนั้นเราถึงจะเจริญปัญญานะ เราจะไม่เรียนรู้ด้วยการคิดเอาแต่เราจะเรียนรู้ด้วยการเข้าไปเห็นของจริงเพราะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อถืออะไรไม่ได้ความคิดเป็นของที่เราคิดขึ้นมาเองนะกับกรอกบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อแต่ต้องเห็นเห็นซ้าแล้วซ้าอีกความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับอะไรเงี้ยความดีความชั่วโลภโกรธหลงนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นของจริงๆนะซ้าแล้วซ้าอีกไปแล้วใจเราจะล้างจิเล็ได้ ความคิดทำให้เราสงบอยู่เฉยๆแต่ไม่สามารถลงไปล้างกิเลสในจิตสำนึกส่วนลึกๆของเราได้การที่เราคอยเห็นความจริงนั่นแหละจะถึงจะล้างกิเลสได้จริงแต่บางคนทำจิตไปแล้วมันสงบนะอยู่เฉยๆอันนี้ต้องคิดนำต้องคิดใจรักไปก่อนแต่พอจิตมันเห็นได้เองแล้วความสุขเกิดแล้วจิตมันก็เห็นเออความสุขดับไปแล้วไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ไปคิดนามันดับจริงๆ าการที่เห็นของจริงนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาคนต่อไปขอเขาเรียนว้าสมาธิจะดูร่างกายหายใจคื อ, อ, อรู้เสกพอใจไม่พอใจอแล้วถึงร่างกายจะหายอะไรนะร่างกายก็จะหายหายไปเลยดี พอร่างกายหายไปแล้วพอกลับมามีร่างกายเราจะรู้สึกเลยว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราก็ดูจิตใจมันทำงานไปจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจเป็นไปเองเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้จริงสั่งให้มีความสุขตลอดเวลาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ก็ไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญตัญญาอยู่นะพานาไปดีแล้วล่ะสมาธิก็ทำเหมือนเดิมนะร่างกายจะหายหรือไม่หายก็ชั่งมนะันอะแต่ทำไปแล้วเวลาที่เหลือมาจเจริญปัญญามาเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปความรู้สึกต่างๆหมุนเวียนเลปลี่ยนไปดีพาาจนร่างกายหายนะต่อไปแล้วมันจะรู้สึกตลอดชีวิตเลยนะ ขันมันแยกได้ตลอดชีวิตต่อไป เ, เขาฝึกกรรมภาวนาสิบสี่ปีแล้วเขาอยากรู้ว่าคืออดีตที่ผ่ามาเขาภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าเขาสามารถเข้าสมาธิแบบลึกๆไหมครับก็ เ, เป็นได้นะถ้าฝึกเรื่อยๆเข้าสมาธิลึกๆได้ จิตมีพลังอยู่แต่จะเข้าสมาธิลึกๆเพื่ออะไรไไเราก็ต้องต้องรู้ก่อนจะเข้าสมาธิลึกๆเพื่ออะไรเพื่อจะให้มีฤทธิ์หรือเพื่อจะพักผ่อนหรือเพื่อจะเอาแรงไว้ทำวิปัสสนาเวลาเราเข้าสมาธิไปเนี่ยเราไปพักผ่อนก็ได้นะสงบอยู่ในสมาธิ หรือเราไปเดินปัญญาในสมาธิก็ได้เราจะเห็นว่าในสมาธินะเดี๋ยวบางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขาไม่สุขเฉยๆนะบางทีก็กระเพื่อมไหวมีความไหวตัวขึ้นมาบางทีก็มีปีติบางทีก็มีความสุขแต่ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิน้นความสุขเกิดในสมาธิเรารู้ไปความสุขก็ดับมีปีติเกิดในสมาธิ เรารู้ไปเรื่อยๆปิติก็ดับนะอะไรๆเกิดแล้วก็ดับทันทีอย่างนั้ในเรียกว่าเราเดินปัญญาในสมาธินะถ้าชอบเล่นทางสมาธิก็เข้าสมาธิไปแล้วไปดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในสมาธิอีกทีหนึ่งจะไปทำสมาธิสงบอยู่เฉยๆไม่ดีหรอกเสียเวลานะคนต่อไปใจเขา ก ฎ, กฎเกลียวคนอื่นเขารู้สว่าเวลาเจอเขาก็จะหลงไปเลยเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆเขาต้องให้คนนีเน้เป็นเรียงกรรมฐานไปฝึกกรรมฐานหรือว่าต้องห่างๆครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเขาการรมภาวนาคุณทำยังไงครับภาวนาเป็นงานเฉพาะตัวนะนงานเฉพาะตัว แต่บางทีเราหนีไม่ได้สมมติเป็นคนในบ้านเราเนี่ยเราต้องเจอแล้วใจมันก็ก่อเกี่ยวก็ห้ามไม่ได้เวลาเจอเขาเราพยายามรู้สึกตัวมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเวลาใจวิ่งไปก่อเกี่ยวเขาก็รู้ทันเวลาใจไม่เกาะเกี่ยวก็รู้ทั น, จ, ทนจุดสําคัญอยู่ที่เรารู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้เราอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้แต่ถ้ากําลังเราไม่พอเราก็หลบซะก่อน เข้าใกล้คนนี้แล้วทำกรรมฐานไม่ได้เลยก็ห่างๆเขาไว้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ใกล้เขาแล้วเราเห็นใจก็เราทำงานได้เดี๋ยวก็เป็นห่วงเขาเดี๋ยวรักเขาเดี๋ยวโมโหเขาอะไรเงี้ยทีนี้เราดูไปเลยไปสังเกตตัวเองเอาว่าแค่ไหนพอดีแต่ถ้าใจกาะเกี่ยวจะไปห้ามไม่ให้ใจกาะเกี่ยวทำไม่ได้อย่างเรามีลูกเนี้ยใจมันก่อเกี่ยวก็แค่รู้ทันว่าใจเกาะเกี่ยว ห้ามมันไม่ได้มีหน้าที่แต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรายังใจไปเก่อเกี่ยวเขายังบางคนไปเก่อเกี่ยวดาราสนใจดาราไปทำไรรู้หมดเลยเน็ตไอดอลคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้หมดเลยถตไม่รู้ตัวเองเลยรู้แต่คนอื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้งันเด่นรู้ตัวเองให้มากๆยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น แต่ถ้าเป็นคนที่เราจำเป็นต้องเกาะเกี่ยวอย่างคนในบ้านเราในครอบครัวเราเราก็ปฏิบัติต่อเขาไปนะแต่ว่าคอยรู้ทันใจของเราอย่างบางทีสมมติว่าสามีเราเนี่ยเราเห็นแล้วเราลาคาญนะแต่เราก็ไม่รู้จะไปทิ้งไปไว้ที่ไหนนะเราก็ดูใจของเราไปเอาเขามาเป็นกรรมฐานเลยเอามาทำกรรมฐานนะเห็นเขาเนี่ยเหมือนกับเห็นหมาบ้าวิ่งมาแล้วอนะไรเงีนะ้ยนอะ่านะนะ เนี่ยเราก็รู้เลยใจเรากำลังสะเทือนแล้วหมาบ้ามาแล้วอย่างเงีย้ยรู้ทันหนีไม่ได้เอามันทำกรรมฐานเลยถ้าคนไหนเราถอยได้เราก็ถอยถอยไปอ้าคนต่อไปอ่าคนนี้ว่าไงเขาอยากรู้ว่าอารมณ์กรรมฐานเขาหมวกับแบบไหนครับอืมอะไรก็ได้นะ หายใจเอาก็ได้หายใจไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจให้จิตสงบนะหายใจแล้วก็อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดละะจิตไปคิดก็รู้ว่าจิตไปคิดคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วที่จุดสำคัญคือรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยตอนนี้จิตหนีไปแล้วจิตไหลออกไปแลรวก็รู้ทันว่าจิตไหลไป แล้วก็กลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจสบายๆไปไม่ห้ามให้หนีไดนะ้อยู่กับพุโทโธไปจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้อย่างนี้ก็ดีเนะี่ยจิตหนีละอย่างนี้จิตหนีนะรู้ไปอย่างเนี้ยฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งพื้นฐานใช้ได้นะดีจิตใจสว่างไสวเบิกบานดีนะคนต่อไป คนจีนคนอื่น่ะเลยหันไปดูเพื่อนผู้จิตใจสว่างสวัยจิตตัวเองเลยไปอยู่ที่เขาหมดเลยนะเขาเรียนธรรมมาแบบหลวมพ่อหนึ่งปีคือเขาก็ฟังฟังซีดีดูวิดีโอครับเขาอยากจะรู้ว่าการภาวราของเขาถูกต้องหรือเปล่าครับเห็นกิเลสบ่อยไหมถ้าเห็นกิเลสบ่อยนะ เห็นกิเลสเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแสดงว่าภาวนาดีถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสเลยใช้ไม่ได้เพราะจริงๆจิตใจของพวกเราทุกคนมีกิเลสฉะนั้นเราเห็นเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงอะไรเงี้ยจิตใจเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรเงี้ยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะก็ใช้ได้ถ้าดูไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูเลยแสดงว่าเพ่งอยู่ จิตหนีไปแล้วรู้ไหมเนี่ยจิตหนีไปแล้วรู้อย่างตอนนี้เริ่มเพ่งล้วถ้าเราเพ่งเมืไหน่นะใจมันจะแน่นๆแจมจะมีน้ำหนักขึ้นมาอย่ยงตอนนี้ใจมันมีน้ำหนักขึ้นม า, าเราเริ่มบังคับมันเผลอเลอบ้างเผลอไปเผลอเรารู้ไวๆเท่านั้นแหละเห็นไหมจิตไหลไปคิดแวบบแวบบแวบบดออกไหม เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกนะรู้สึกร่างกายไปด้วยนะวันนี้ดูจิตอย่างเดียวไม่ไม่พอร่างกายเป็นยังไงก็รู้สึกนะดูกายประกอบไปด้วยดูจิตอย่างเดียวเ น, นี่ยวไม่เป็นนิ่งอยู่อา้าต่อไปเขา อ, อยากจะรู้ว่าเขาติดคนเยอะอะไรวันนี้ย ใจิตใจพัฒนาขึ้นว่าไงว่าไปเขาอยากจะรู้ว่ารูปแบบไหนทำรูปแบบไหนเหมาะเวลาอยู่ในชีวิตชีวิประจำวันจเจริญสติวิธีแบบไหนจะเหมาะกับเขาครับในชีวิตประจำวันไม่ได้มีวิธีไหนหรอกนะในชีวิตประจวันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วจิตใจเราเป็นไง รู้ทานจิตใจตัวเองนะเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเวลาปฏิบัติในรูปแบบเราถนัดกรรมฐ า, านอะไรเราก็ทำกรรมฐ า, านานั้นๆแล้วเราก็รู้ทันใจของตัวเองไปนะก็ฝึกไม่มีอะไรยากหรอกที่ฝึกอยู่นี่จิตก็ดีขึ้นแล้วรู้ตัวหรือเปล่านะมันมันก็พัฒนาอยู่เราก็ทำต่อไป เรียนรู้ตัวเองไปถึงเวลาเราไหว้พระสวดมนต์ทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทานจิตไม่บังคับจิตนะจิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยแล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี้ยเราจะดูจิตได้ไวขึ้นเราจะไม่หลงไปดูรูปนานๆ น, านไม่หลงไปฟังนานๆานไม่หลงไปคิดนานนานนะใจวิ่งไปดูก็รู้ใจวิ่งไปฟังก็รู้ใจวิ่งไปคิดก็รู้นะะสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น แต่ถ้าเวลาเราทำงานถ้าเราทางานที่ต้องใช้ความคิดนะสติต้องจดจ่อกับ ง, งานสมาธิจดจ่อกับ ง, งานปัญญาของเราคิดเรื่องงานอันนั้นคนละเรื่องกันนะเวลาคิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างสมว่าเราเป็นคนขับรถขับรถหรือเราเป็นคนไถนาอะไรเงี้ย ร่างกายทำงานเงี้ยเราเราทำวิปัสนาได้เราเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยในขณะนั้นทำวิปัสนาไม่ได้เพราะว่าใจเราต้องจดจ่ออยู่ข้างนอกไปจดจ่ออยู่กับ ง, งานนะนอกจากเวลานอนหลับกับเวลาทำงานเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยเราสามารถเจริญปัญญาได้ดูกายดูใจทำงานไปนะเข้าใจไหม เข้าใจนั่งได้ังคนต่อไปเขามาคอร์สครั้งแรกเขาคือใครเขามาคอร์สครั้งแรกเขาอยากจะรู้ว่าวิธีไหนเหมาะกับเขาครับคนนี้ก็พูดไทยได้ใช่ไหมให้เขาพูดเองก็ได้ เขากับนมัส ก, การหลวงพ่อครับคนจีนะฮะคือเปลี่ยนภาษาไทยผมมาครั้งแรกเวลานี้รู้สึกว่าตื่นเต้นหน่อยพอดีผมได้บังเอิญได้นังสือแล้วก็ได้เทปวิดีโอของหลวงพ่อผมอ่านมาประมาณ5าเดือนกว่าแล้วเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่ใครผมเข้าใจเยอะเลยก็ขอวิธีการปฏิบัติท<อ>ี่มจุดอ่อนก่อนนะ จุดอ่อนนี้ก็คือความความรู้ความเข้าใจมันจากการอ่านเนี่ยมันนาหน้าไปลืมความรู้จากตำราซะก่อนนะแล้วก็ดูจากของจริงที่เกิดขึ้นของจริงในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวโลภเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงมันหมุนเวียนเรามีหน้าที่เรียนรู้เข้าไปดูไปเรื่อยเรยเราดูจิตใจของเราเหมือนเราดูเด็กคนหนึ่ง เราปล่อยให้เด็กคนนี้ทำงานเด็กคนนี้สนไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็เสียใจเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์นะเดี๋ยวมันโกรธอะไรเงี้ยเราดูจิตใจของเราเหมือนเราดูคนอื่นเหมือนดูเด็กสักคนหนึ่งมันทำงานนะดูจิตมันดิ้นรนทำงานไปดูไ ป, ไปเรื่อยๆปัญหาของคุณตอนนี้คือความคิดมันนาไปนะอย่าไปคิดนาดูของจริงดูความรู้สึกจริงๆ ที่หลวงพ่อให้คนนี้พูดเองไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าจะให้คนไทยได้ฟังว่าเขาพูดภาษาไทยชัดกว่าคนไทยหลายๆคนหน้าอับอายขายหน้ามากคนไทยเดี๋ยวนี้บางคนหลวงพ่อฟังมันพูดไม่รู้เรื่องนะเคยไปที่เชียงใหม่นะเด็กมันมานั่งโต๊ะติดๆกันพูดแ้แ้แ้มันพูดอะไรฟังไม่ออกเลย ผู้คนบาคนพิการต่อไปเขาอยากจะรู้ว่าตัวเองกรรมภาวนาคนระวังอะไรครับระวังเผลอนะระวังอันเดียวอย่าเผลอก็แล้วกันรู้สึกบ่อยๆนะอย่าเผลอนานนะเวลาเรามีความสุขก็อย่าเผลนไปนานนะอย่ามเรียนรู้ตัวเองบ่อยๆ ยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ไม่ถึงขนาดนั่งเฝ้าตัวเองตลอดเวลานะแล้วถ้าเฝ้าตัวเองตลอดเวลาใจจะเครียดรู้ตัวไปสบายๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วเราจะได้เห็นความจริงของตัวเราเองความจริงก็คือจิตใจเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนเลยแล้วกิเลสของเราก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวตัวนั่นเกิดเดี๋ยวตัวนี้เกิด ชีวิตเราที่ผ่านมาเราไม่ได้มีอิสระที่แท้จริงเราตกเป็นทาตของกิเลสถูกความอยากถูกอะไรต่ออะไรเนียสั่งให้เราทำโน้นทํานีน้ตลอดชีวิตเราต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นไปเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะหเห็นเลกิเลสเป็นศัตรูร้ายของชีวิตเราค่อยๆเรียนไปสบายๆใจเข้าใจแล้วต่อไปพอกิเลสมันผ่านมานะเรารู้ทันนละมันมาครอบงาใจเราไม่ได้ ใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาค่อยๆฝึกอยี่ยตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วใจหลงไปใจหลงไปคิดแล้วรู้เอาทำกรรมฐานไม้สักอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเวลามันไหลไปอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งก็แล้วกันพุโทโธพุโทโธพุโทโธเล่นๆไปพอแล้วจิตหนีไปเรารู้ทัน ไม่ใช่พุโทโธเราห้ามจิตกระดุกกระดิกคนต่อไปปีที่แล้วม า, าคอร์สกลับไปรู้สึกว่ามีก้าวหน้านิดหน่อยอแต่รู้สึกว่าภาวนาไปไม่เป็นครับภาวนาไม่ได้แปลว่าทำอะไรแปลกๆนะภาวนาก็คือเจริญสติไปเผลอนานไหมเผลอสั้นลงไหม ถ้าใจลอยสั้นลงอ่ะเคยใจลอยทิงเป็นชั่วโมงแล้วใจลอยห้าหนาทีอย่างเนี้ยถือว่าพัฒนานะความรู้ตัวมันเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะถือว่าเราพัฒนาแล้วที่ผ่านมานี้ถือว่าพัฒนานะจิตใจสบายขึ้นตั้งเยอ ะ, ละแล้วแไปสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายอะไรเนี้ยเรียนรูมไปแล้วมันก็พัฒนาของมันเอง ไปทำเมาคนต่อไปคราวนี้มาเขาคอร์สขั้นที่สองอยากจะรู้ว่าตัวเองภาวนาก้าวหน้าหรือเปล่าต่อไปเขาควรระวังอะไรครับภาวนามันก็ก้าวหน้าทุกคนแหละนะอย่างคราวนี้มันก็ดีกว่าคราก่อนนะระวังความฟุ้งซ่านนะ เป็นคนช่างคิดอนะใจมันฟุ้งเก่งนะงั้นเราแต่ละวันเนี่ยเราพยายามมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธนะแล้วเราจะได้ไม่หลงยาวนะที่ฝึกอยู่มันก็ก้าวหน้านะปีหนึ่งนี้ที่ผ่านมานี้เขาก็ดีขึ้นนะระวังเรื่องใจฟุง้งนซะ่านใจยังฟุ้งเก่งอยู่ วิธีระวังใจฟุ้งซ่านไม่ใช่ห้ามฟุ้งซ่านวิธีระวังก็คือฟุ้งซ่านแล้วรู้ไว่ไปรู้ไว้หน่อยอย่าให้ฟุ้งยาวเป็นชั่วโมงช่วโมงนะอย่าไปตามใจมันอย่าไปตามใจกิเลสปล่อยให้มันฟุ้งไปเรื่อยๆนะฟุง้งเรารู้ฟุง้งเรารู้ไปแต่อย่าให้เครียดนะถ้าเครียดใช้ไม่ได้หากคนต่อไปเขาอยากจะรู้ว่า ผ่านานจิตกับสมาธิเกี่ยวข้องกันยังไงทํำยังไงเพิ่มพ่านานจิตครับพลังของจิตนะมีหลายอย่างนะแต่พลังที่ดีในศาสนาพุทธมีห้านเรามีศรัทธามีความขยันในการปฏิบัติมีสติมีใจตั้งมั่นมีปัญญาเนี่ยเป็นพลังของจิตถ้าจิตเรามีสิ่งเหล่านี้นะจิตจะมีพลังในตัวเอง โดยไม่ต้องไปทำอะไรแปลกๆสนะ่วกนการทาสมาธิเป็นวิธีฝึกจิตนะฝึกซ้อมจิตเราก็ทำสมาธิไปแล้วก็เรียนรู้จิตใจตัวเองไปยิ่งเราเรียนรู้จิตใจตัวเองได้มากนะสนศรัทธาเราก็จะมากขยันดูบ่อยๆนะความเพียรเราก็มากนะเราดูบ่อยๆสติก็เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น เราดูบ่อยๆจิตไม่หลงไปยาวสมาธิาาก็มากขึ้นมากขึ้นเราดูบ่อยๆปัญญาก็จะเกิดพลังรวมของจิตมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยจะไม่มีโอกาสบรรลุมรกผลเลยการที่เราฝึกกันตั้งนานเนี่ยนะเพื่อจะให้เกิดพลังห้าอย่างเนี่ยพลังของพละห้าปัตถาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังที่สมดุลกันด้วยนะ ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปอย่างศรัทธามากเกินไปเนะี่ยมักจะงมงายปัญญามากเกินไปนะียามักจะไม่มีศรัทธาฟุนะ้งซ่านไปเชื่อตัวเองไปสมาธิมากนะก็จะเสื่อมซึมไปนะความเพียรมากก็จะเหน็ดเหนื่อยเครียดนะสติมากดีไม่เป็นไรยิ่งบ่อยยิ่งดีงั้นเราพยายามฝึกของเราไปแล้วสังเกตตัวเองไปช่วงนี้ ใช้ปัญญามากเกินไปแล้วะก็เบรกตัวเองกลับมาทําความสงบบ้างะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆะเดินปัญญาไปพอสมควรแล้วก็กลับมาทําความสงบอีกอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาปัญญาสติสมาธิอะไรของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วสมดุละจิตจะได้สมดุลมากผลดึงจะเกิดได้ไปฝึกเอาจิตก็มีพลังอยู่คนเนี้ย ส่วนจะฝึกพลังจิตเอาไปทำงานข้างนอกต้องไปเรียนที่อื่นนะลองไปเรียนสำนักอะไรดีอ่ะต้องไปเรียนที่ภูเขาหิมาลัยน้าคนต่อไปตั้นแต่ปีที่เราฟันธรรมะเขารู้สึว่ารู้สึกการู้สึกใจรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าเยอะ รู้สึว่ า, เ, าเริ่มคายตัวเยอะขึ้นถูกทําถูกแล้วก็ทําต่อไปนะแต่อย่ารีบร้อนนะอย่าอยากได้ผลเร็วๆยิ่งเราอยากเมื่อไหร่ก็คือกิเลสเกิดแล้วความอยากเป็นกิเลสเป็นโลภะเราก็ภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันถึงเวลามันก็ได้ผลของมันเองนะขยนนันภาวนาดีแล้วละ คนต่อไปข้อแรกเขาอยากจะทำว่าขันเขาแยกหรือเปล่าอะไรนะเขาแยกขันหรื อ, อ, อเปล่าขันได้ยินว่าถังถังทําไมต้อไปแยกถังขันแยกอยู่<ม>แยกขันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเห็นไหมร่างกายมันไหวร่างกายพยักหน้าใจเราเป็นคนดูแค่นี้มันก็แยกแล้วนะ แต่เมื่อแยกขันแล้วต่อไปนี้ดูขันมันทํางานให้ดูให้เห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆดูไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสมบัติของโลกจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกระทั่งตัวจิตใจเองก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วกิ่งไปคิดเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ควรจะทําสม่ําเสมอนะคือสมาธินะต้องมีทําในรูปแบบให้ใจได้สงบบ้างจเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้พักจิตเลยไม่ดีนะจิตจะไม่มีแรงงั้นแต่ละวันมาอยู่กับพุทธโธมาอยู่ลหมหายใจแบ่งเวลานะเวลาที่เหลือก็ดูจิตใจมันทํางานดูจิตใจเป็นแล้วดูออกไหม เพราะหลวงพ่อดูแล้วว่ามันเคลื่อนอยู่ข้างในเราเห็นเรารู้เท่าทันอยู่นี่ใช่ได้อต่อไปเขาขอถามอีกข้อเวลาจงกรมดูร่างกายดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเขาอยากรู้อันนี้ความคิดหรือว่าเห็นจริงครับคนนี้เขาเห็นจริงแล้วขันเขาแยกแล้วถ้าขันไม่แยกเขาคิดเอา มันไม่ใช่ของจริงน่าควรตอบไปเวลาฟันธรรมะเขาจะภาวนาใจคือจะระวังธรรมะกับอารมณ์กรรมฐานคือสลับไปมาครับเขาจะเห็นกิเลสเกิดตับบ่อย เขา อ, อยากจะขอกำบ้านจากหลวงพ่อว่าเขาเพอเวลาถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าเห็นกิเลสเกิดดับได้ก็ใช้ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกิเลสมันเกิดเองมันดับเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ครอบงําจิตใจเราสั่งให้เรามีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจะถ้าเรารู้เท่าทานันกิเลสเข้ามาบงการใจเราไม่ได้กายวาจาของเราก็เรียบร้อยไปเองที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้วล ะ, ละถ้าอย่างนั้นนะ คอยรู้ทันกิเลสดีที่สุดเลยอต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายอยู่ไหนล่ะอ้คนนี้อยู่ไกลมากเขาตั้นเด่อายุ2ี่สเบเ็เริ่มภาวนาครับเขารู้สึกว่าตอนนี้จึงหากรรมภาวนาที่ถูกต้องแต่ก็เพราะว่าเขาอยู่ในคคนาตา ไม่มีใครสามารถถามได้เขาจะรู้ว่าตอนนี้การพวาวละของเขาเป็นเป็นยังไงครับเราภาพฟังที่หนึ่งพูดไม่เข้าใจเขาอยู่อะไรนะเขาอ ย, อยู่อยู่ที่ประเทศแคนาดาอ๋อแล้วทำไมอ่ะอยู่แคนาดาแล้วเป็นอะไรเขาจะไม่ไม่มีไม่มีใครพูดคุยการสอนธนาการครับอ๋อเราเรียนจากตัวเราเอง พระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเลยท่านก็เรียนจากตัวเองจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็เรียนจากร่างกายจิตใจของเราเองร่างกายจิตใจเป็นครูของเรานะอยู่กับเราตลอดเลยร่างกายเขาก็สอนให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวกระหายเดี๋ยวเจ็บป่วยอะไรเนี้ยร่างกายไม่ใช่ของดีของน่ารัก จิตใจเ็าเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดเราจะไม่ได้รักสุขเกลียดทุกขนะ์เราจะเป็นกลางต่อทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเราเข้าถึงความเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนต่อเมื่อใจไม่ดินน้นรนใจก็มีความสงบสุขนะฝึกไปเรื่อยๆไปจิตของเขาก็มีพลังนะคนนี้ มีพลังมีความตั้งมั่นอยู่อา้าวหมดแล้วใช่ไหมเอาคนไทยบ้างมีไหมหเหนื่อยแล้วนะได้สี่คนมัสการหลวงพ่อครับคือตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งครับคราวนี้อยาก ให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงให้ทาตคขัน <Okay. S 1> แข็งแรงรักษาโรคได้ง่ายเป็นมะเร็งชนิดไหนอ่าปอดกระต่อมน้ำเหลืองครับปอดกระต่อน้ำเหลืองครับแล้วมันกระจายไปหลายที่ฮะับร่างกายก็ให้หมอรักษาไปนะครับเป็นงานของหมอเรารักษาใจของเราใจของเราไม่หวั่นไหวะใจเรากังวลขึ้นมาก็รู้ ใจเราเป็นยังไงก็รู้เราอย่าไปคาดฝังว่าจะหายหรือไม่หายนะร่างกายนี้เป็นของโลกหยุดตั้งแต่แรกแล้วหนะลวงพ่อเมื่อปีห้าเก้าก็เป็นมะเร็งน้ำเหลืองเป็นพูดไม่ออกนะนั่งเทศตอนนั้นเทศที่มหาลาัยเกษตรเทศจนหายใจไม่ออกเลยนะสำลักก็ไปรักษาไปโรงพยาบาลเขาไปบอกหมอบอกหมอรักษาไป รักษาได้หรือไม่ได้หลวงพ่อไม่ว่านะแต่มีหน้าที่รักษาก็รักษาไปหลวงพ่อจะรักษาใจตัวเองหลวงพ่อก็ดูจิตใจของเราไปเรื่อยนะเวลาเขาจะผ่าโนอนผ่านี่เขาจะทำอะไรเราก็เห็นเขามาผ่าตรงโน้นตรงนี้นะเราก็ดูไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวข้องรักษาใจไว้อันเดียวเลยแล้วถ้าจะต้องตายจริงๆก็ปล่อย เห็นร่างกายมันตายใจเป็นคนดูอย่าไปห่วงกังวลหน้ากังวลหลังอะไรจิตใจที่มีพลังจิตใจที่เข้มแข็งนะช่วยตัวเองได้เยอะนะบางคนเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งอะ่ะก็ตายแล้วเพราะใจฟอที่นี่ก็มีหลายคนเป็นมะเร็งไนดะ้ไม่บอก <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่นาที <laughs> คนที่เป็นที่ที่บอกได้นอนอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปดูตัวเขาหรอกนั่นทำท่าจะตายนะตั้งหลายปีแล้วนานมากแลอยู่มาป่านนี้ยังไม่ตายเลยมะเรงยอมแพ้เลยรนะักษาใจไว้ให้เข้มแข็งไว้วิธีที่ใจจะเข้มแข็งก็คืออะไรก็ได้หายก็ได้ไม่หายก็ได้อะไรก็ได้แล้วใจจะแข็ง ถ้าคิดว่าจะต้องหายะใจฝ่อเลยนะกลัวไม่หายอย่ากกังวลอย่างแข็งแรงอยู่กราบนมัสการหลวงพ่อครับคบือวันนี้ชวนแฟนมาฟังซีดีหลวงพอ่อแล้วก็พากันมาส่งกันบ้านจนขอกราบหลวงพ่อเราภาวนาใช้ได้แล้วนะครับพากันภาวนาไปครับคือว่าส่งกันบ้านในรอบแปดเดือนครับครั้งแล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดู ตึงไปกับหย่อนไปครับก็คือว่าจิตเป็นกลางมากขึ้นภาวนาไปเลยจะเห็นความช่วยเยอะขึ้นครับคือเราเราเราช่วยเยอะกว่าที่คิดไว้ครับใช่เราช่วยกว่าที่คิดไว้ครับแล้วก็มีตัวเก่งตัวอวดถือสารพัดกิเลสนะครับนั่นแหละรู้ไปกูเก่งนะไม่ใช่น้อยหรอกครับครับแล้วครับผมแล้วก็ภาวนาไปจนจิตเป็นอุเบกขาอยู่พักหนึ่งแล้วก็เขาก็เสื่อมครับของมันธรรมดาการภาวนาเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงจะดีนะครับ จเจริญลูกเดียวมันจะยิ่งกูเก่งหนักขึ้อีกครับในนี้เจเริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมว่ากูทำไม่ได้ <c oughs> เมื่อไหร่ภาวนาจนหลังชนกำแพงนะทำอะไรไม่ได้ถึงจะได้ดีถ้าคิดว่ายังทำได้อยู่ไม่ได้ดีหรอกครับแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆคือจิตมันมีสภาวะหนึ่งที่ว่ามัน ไปเห็นจิตถูกขังอยู่ในใคล้าย เ, เป็นโลแกลว้วครับต้องอย่างนั้นสิมันเป็นโลแกลว้วค ล, า ล, ลว้ายๆโลแก้วหนาๆแลูกจิตมันดิน้นพยายามจะดิ้นออกแต่มันดิ้นไม่ได้ครับมันไ ม, <อ>ไม่ได้ตัวที่จะทําให้โลงนี้แตกเป็นผีโลงแตกได้คืออริยมรรคเท่านั้นครับแล้วแตกครั้งที่หนึ่งนะมันจะเข้ามาประสานตัวเองขังเราไว้ใหม่ครั้งที่สองมันก็กลับมาขังอีกครั้งที่สามมาขังต้องแตกสี่ครั้งครับผมนะครับขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับที่ทําให้มันแตก ครับมีสตินะทําไงมันก็ไม่แตกครับมันแตกได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้นครับนะงั้นเราจเจริญศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆครับดีภาวนานได้ดีนะครับกลับกลบขอบคุณหลวงพ่อครับนี่มาด้วยกันปะค่ะคเป็นแฟนกันค่ะหลวงพ่ออ๋อเป็นแฟนกันนะเราต้องปกครองเขาให้ดีนะผู้ชายไทยนิสัยไม่ค่อยดีหรอกไม่ค่อยรับผิดชอบนะ เราอย่าย่อหย่อนนะควบคุมไว้เอาแต่ต้นมือลูกขอกราบนรมาสการขค่ะหลวงพ่อลูกเพิ่งมาปฏิบัติได้สี่เดือนค่ะจากการชักชวนของ <4 S 2> เ, ขเดือนของหนูก็ใช้ได้นะหนูสังเกตหรือเปล่า <c oughs> ใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยค่ <c oughs> ะในวันเดียวกันชาบสายใบยเย็นก็ไม่เหมือนกันค่ะรู้สึกไหมในขณะที่มองเห็นใจก็เปลี่ยนได้ เปลี่ยนแปลงขณะที่หูได้ยินใจก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ใจคิดใจก็เปลี่ยนแปลงไดนะ้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็ชวนกันนั่งสมาธิพักผ่อนให้ใจสงบเป็นระยะระยะไปนะสมาธิควรจะทําทุกวันจิตจะได้มีพลังนะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเนี้สงบพักผ่อนแล้วพอมีแรงแล้วเราก็มาดูจิตมันเกิดดับต่อไปนะ ฝึกใช้ได้ทั้งคู่แหละไอ้หนุ่มนี่เก่งไว้สอนแฟนได้ดีขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออย่าลืมหน้าที่สั่งไว้อะ <laughs> ไม้อ่อนดัดง่าย <laughs> <laughs> เจ้าชู้แป บ, บ่เนี่ยไม่เจ้าชู้นะ <laughs> บางคนถามเจ้าชู้เปล่าเดี๋ยวผมบอกนอกรอบก็แล้วกันฝั <c oughs> <c oughs> ่งแล้วไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> อยู่ไหนล่ะ ก, ล ก, การรองสการ์เจ้าค่ะหลวงพอ่อเดี๋ยวขอดูตัวก่อนอยู่ที่ไหนวะอ้าว <c oughs> ไปภาวนายังไม่เป็นค่ะยังบัคิดยังพูดดังๆนิดสิ ไม่รู้ว่าจะเอาจิตไว้ตรงตะก ม, ม่อมหรือว่าตรงอุ้ยไม่เอาไปไว้ทําไมกลางกระหม่อมหลวงพ่อได้โปรดเมตตาพ า, พ า, พาพดุษฎีว่าทำได้ค่ะอส่วนเมตตาไปเรื่อยๆแล้ ว, ลวสังเกตไหมบางวันใจก็สงบบางวันใจก็ไม่สงบดูออกไหมส่วนเมตตาไปเรื่อยๆนั่นแหละใจก็ได้สมาธิขึ้นมาใจตอนนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อนแล้วนะมันก็สงบกว่าแต่ก่อนแล้วงั้นเราสวดไปเรื่อยๆ เมตตาผู้นางอะรหังเมตตาสวดไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันเวลาร่างกายจะเคลื่อนไหวเวลาจิตใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคอยมีสติตามะระลึกรู้ไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปหนูภาวนาใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดีทําไมคิดว่าภาวนาไม่เป็นอ่ะวางจิตไม่ถูกค่ะฮะวางจิตไม่ถูกค่ะไม่วางเรื่องอะไรต้องไปวางมัน่ะ ใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมเวลาเนี้ยจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันถูกแล้วไม่ต้องไปหาที่ตั้งอย่าไปตั้งตรงหัวอย่าไปตั้งที่ท้องอย่าไปตั้งที่หน้าอกไม่จาเป็นต้องตั้งที่ไหนเลยแค่รู้ตัวอยู่เท่านั้นเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายก็รู้วอาไม่ต้องเอาจิตไปตั้งแช่นิ่งๆเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรอกไม่จาเป็นออย่างนั้นเอาไว้ทาสมถะ อ่ะหมดแล้วละนีได้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณเจ้ค่ะลงพ่อ